ที่ชื่อว่าเวลาวิการหมายเอาเวลาเมื่อเที่ยงวันล่วงไปแล้วจนถึงอรุณขึ้นคําว่าเข้าหมู่บ้านความว่าเมื่อภิกษุก้าวเลยเข้าเขตรั้วล้อมของหมู่บ้านที่มีรั้วล้อมต้อง อ, <cioè> อ, งอบัตปาจิตตีเมื่อภิกษุก้าวเข้าเขตอุปจารของหมู่บ้านที่ไม่มีรั้วล้อมต้องอบัตปาจิตตีคําว่าเว้นไว้แต่มีเหตุจําเป็นรีบด่วนเช่นนั้นคือยกเว้นแต่มีเหตุจําเป็นรีบด่วนเช่นนั้น